ซึ่งใช้ในการทำสมถภาวนาและอารมณ์ที่เป็นปรมัตน์ซึ่งใช้ในการทำวิปัสนาภาวนาดังนี้ 2.1 กายานุปัสนาสติปฐานคำว่ากายหมายความถึงที่ประชุมแห่ง 1. รูปธรรมคือกรรมมัชรูป 2. วิบากจิตและ3เจตสิกที่ประกอบจิตนั้น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 แม้การเจริญอาณาปานสติจะเหมาะกับสมถียานิสแต่ถ้าผู้ปฏิบัติอาศัยการระลึกรู้ลมหายใจออกเข้าเพื่อเป็นฐานก้าวไปเจริญวิปัสสนาด้วยการระลึกรู้อารมณ์รูปนามในบั พ, พะและประธานอื่นนอกเหนือจากอาาปานสติบั พ, พะกลับเป็นเรื่องที่พอจ ะ, ะทำได้ไม่ยากเกินไปนักกล่าวคือการระลึกรู้ลมหายใจ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 เกิดราคะคือความพอใจในความสุขสงบที่เกิดจากการทำอนาปานสติเป็นต้นเชิญอ่านปริยติธรรมต่อ 2.1.2 กายานุปัสนาสติปฐานอีกสาัพพะ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 คือดินน้ำไฟลมอารมณ์ทั้งสามบัพระนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาจะนําไปเพ่งให้เกิดฌานาจิตไม่ได้การรู้อิริยาบทใหญ่และอิริยาบทย่อยนั้นต้องมีสติระลึกรู้อิริยาบทและต้องมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่ทุกขณะที่เคลื่อนไหวไม่จะทําไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกตัวอีกนัยยะหนึ่ง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 สามารถเพ่งจนรูประเบิดหรือเกิดแปรสภาพเป็นโครงกระดูหรือเพ่งจนรูปกายอันเป็นอุกานิมิตในอิรยาบท้นั่งนั้นเกิดความใสเป็นแก้วนึกย่อและขยายได้เป็นปฏิภาคนิมิตจนเกิดความสาคัญผิดว่าพบกายพระอริยะเข้าแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วปฏิภาคนิมิต ด, ดังกล่าว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 ระลึกรู้หนึง่งเนืองซึ่งอุเบกขาเวทนาที่เจือด้วยอามิ t h เระลึกรู้หนึง่งเนืองซึ่งสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h เช่นสุขเวทนาที่เกิดจากการเจริญสมถะหรือวิปัสนา 8. ระลึกรู้หนึง่งเนืองซึ่งทุกขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิ t h เช่นทุกขเวทนาที่เกิดจากสภาพแห่งสังขารและ9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 เชอ่านป ร, ริยัติธรรมต่อ 2.3 จิตตานุปัสสนาสติปฐานหมายถึงการตั้งมั่นในการตามรึกรู้จิตอยู่เนื่งเนืองมีประเด็นที่ควรทราบดังนี้คือ 2.3.1 จิตตานุปัสสนาสติปทานแบ่งเป็น16บัพพะได้แก่คู่ที่หนึ่งจิตมีราคะ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 จิตเป็นอมหากตะคือกามาวจรคู่ที่6จิตเป็นสอุตระคือมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือกามาวจรจิตเป็นอนุตระคือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าคือรูปาวจรและอรูปาวจรคู่ที่7จิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิคู่ที่8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 ในเรื่องกิจในอริยสัจสองจ3จิตทั้ง16บัพพะในจิตตานุปัสนาสติปฐานใช้เจริญวิปัสนาได้อย่างเดียวยกเว้นอรูปาวจรจิตสี่ดวงคืออากาสานัญจายตนะกุศลจิตอากาสานัญจายตนะกิริยาจิตอากินจัญญายตนะกุศลจิตและ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 สามารถจะได้อรูปฌานโดยอัตโนมัติคือไม่ต้องฝึกหัดเป็นการเฉพาะก็เพราะจิตพลิกไปมาระหว่างการทำสมถะและวิปัสสนาอย่างนี้เอง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 โทชงเจ็ดและ5อริยสัตว์ี 4. หลักในการปฏิบัติก็เป็นเช่นเดียวกับปัฏฐานอื่นๆคือเมื่อทำใดปรากฏขึ้นก็รู้ทันว่าธรรมนั้นๆเกิดขึ้นเมื่อธรรมที่เกิดขึ้นนั้นดับไปก็ให้รู้ทันว่าธรรมนั้นนั้นดับไป 2.4.2 ธรมานุปัสสนาสติปัฏฐานใช้ในการเจริญวิปัสสนาอย่างเดียว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 เมื่อไหวยน้ำเป็นแล้วต่อแต่นั้นเมื่อพบน้ำที่ใดก็วหวยได้ไม่มีขีดจำกัดว่าต้องไ่ายน้ำในสระอย่างเดียวผู้ที่จเจริญสติในปฐฐานใดปฐฐานหนึ่งจนชำนาญแล้วจิตย่อมสามารถเที่ยวไปในปฐฐานทั้งปวงได้อย่างไม่มีขีดจำกัดด้วยกำลังของมหาสติจะรู้รูปก็เข้าใจรูปจะรู้น้ำก็เข้าใจน้ำ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 ในการรู้ทั้งรูปและนามขอมีผู้ถามผู้เขียนเสมอว่าในนิวรณบัพพะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนว่านิวรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยแสดงว่าในการเจริญสติปัฏฐานนั้นท่านสอนให้รู้ด้วยและละด้วยใช่ไหมเรื่องนี้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 3.3 มามกายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับสมถญานิกแปลว่าผู้มีสมถะปัญญาณคือผู้ทําความสงบก่อนแล้วเจริญปัญญาในภายหลังส่วนจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาเปัญญาณ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 และสัมมาสมาธิเพียงพอดังเช่นที่พระพุทธเจ้าเมื่อทรงตรัสรู้ด้วยการประจักษ์แจ้งอริยสัจสีตามปฏิจจสมุปบาทในยะแล้วพระองค์ทรงแสดงอริยสัจสีในธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและความเป็นไตรลักษณ์ของขันห้าในอนัตตลักณะสูตรให้นักบวชคือภิกษุปัญจวคีฟังทรงแสดงอริยสัจให้ยสักุลบุตร รวมทั้งครอบครัวและสหายฟังและส่งแสดงเรื่องอายาตนะในอาทิตยปริยายสูตรให้จะดิน 1,000 รูปฟังจะเห็นได้ว่าเรื่องอริยสัจขันธ์และอายตนะล้วนเป็นเรื่องในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานทั้งสิน้นดังนั้นจึงไม่ควรคิดว่าการจเจริญสติปัฏฐานหรือการปฏิบัติวิปัสนาจะต้องเริ่มต้นจากฐานกายก่อนเสมอไป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 สัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาซึ่งก็คือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในขันธบั พ, พะทั้งที่หลวงปู่ดูลในครั้งนั้นเพิ่งจะเข้ารับการอบรมธรรมจากหลวงปู่มั่นไม่นานนักและมีคุณธรรมในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นนอกจากนี้หลวงปู่สวัตสุวัวจโจได้การณาเล่า ว, ว่าเมื่อท่านเข้าไปกราบหลวงปู่มั่น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 และเป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปฐานในขันธบัพะด้วยในระหว่างที่ดูจิตอยู่นั้นนิวรณปรากฏขึ้นและดับไปก็รู้อาญาตนะใดทางงานก็รู้องค์ธรรมในโพชฌงองใดปรากฏขึ้นก็รู้ตันหาเกิดขึ้นทางทวารใดก็รู้เหล่านี้เป็นการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปทานทั้งสิน้น